นี่มันมีความไม่มีอะไรมนะาเพราะท่านเห็นตรงนี้นะใจท่านมันดีดออกเลยนะดีดปิ้งขึ้นมาเลยตอนนั้นกลางดึกแล้วอยู่ในถ้ำ ม, มืดเต๋อเตรียมตายนะท่านบอกว่าถ้านั้นสว่างขึ้นทั้งถ้ำเลยท่านนึกว่าสว่างแล้วหายไข้เลยนะหายไข้เลยนี่ท่านเลยยานักน้ําหนานะอย่าไปเอากว้างๆนะท่านสอนถึงขนาดบอกว่าอย่าไปรมนะ